ยังไม่ถูกในใจยังไม่ถูกในใจอ่ะมาลีพยายามพยายามพยายามทุกอดทิศทานจะสลัดให้ใจเนี่ยไม่เกาะเกี่ยวพัวพันลูกสองสองเลยสามีเนี่ยพยายามจะสลัดให้มันขาดออกพยายามจะสลัดแล้วก็ยิ่งยิ่งยิ่งสลัดยิ่งพัวพันธุยิ่งสลัดยิ่งพัวพันอะในนี้เห็นมีเลยแต่ตรงนี้ในนี้มีเขายิ่งสลัดนะยิ่งสลัดยิ่งพัวพันธุ์เลยมันเหมือนกับว่า มันเป็นสา ย, ย, ายใหญ่ยิ่งเราไปสลัดมันยิ่งเหมือนกับเป็นสายใหญ่พันธเราเหมือนไอ้ใยมังมุมเนี่ยพอเราไปยุ่งกับมันมันยิ่งพันธเราใหญ่เลยความจริงเนี่ยเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยสามีก็เป็นอย่างนี้ลูกก็เป็นอย่างเนี้ยใจเราตั้งหา่าเราไม่ถ้าเรายิ่งพยายามจะภาคใจเราออกเนี่ยมันยิ่งพัวพันความจริงอะ่ะถ้าเราไม่คิดว่าจะเอาพากออกหรือไ ม, ไม่ไม่ไม่คิดเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ทำหน้าที่ไปแต่เรารู้สึกเสมอว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ที่สมมุติ เราจะไปสลับที่ใจเราต้องเห็นว่ามันเป็นสมมุติเป็นสามีกันเป็นสมมุติลูกก็เป็นสมมุติอยู่ชั่วค้าวตัวเรานี่ก็เป็นสมมุติสําคัญที่สุดคือตัวเราก็เป็นสมมติไม่ช้าหรอกตัวเราก็สิ้นสมมติไปแล้วก็ทุกทุกอย่างเราเบื่อการเวียนวนก็เราก็หายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติซนะแต่ถ้าเราเนี่ยพยายามจะสลับที่ใจแต่เราไม่เห็นสมมติเนี่ยมันพัวพันเหมือนกับเนี่ยเวลานอ น, อนเราเนี่ยสามีภรรยาลูกสมมติเนี่ยนอนเตียงเดียวกันหมดเวลาน อ, นอนหลับไปอ่ะ เวลานอนหลับไปในใจมีสามีมีลูกไหมไม่มีแต่พอเราตื่นปุ๊บเราพยายามจะสลัดเนะี่ยกลายเป็นมีทันทีเลยเข้าใจไหมเนี่ยเออตอนหลับไปเนี่ยไม่มีสามีกับลูกอยู่ในใจเลยแต่พอพอเราตื่นขึ้นมานเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราจะอยากจะออกจากทุกข์แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราพยายามจะสลัดเราจากใจนี่กลายไปติดตรงเนี้ยเส้นจะแดงผ่าแปดเลยทุกอย่างไม่มีอะไรเลยทุกอย่างก็ปล่อยเขมีไปไงี้เนี่ยแต่ไม่มีตัวใจไปยุ่งกับใครไม่มีตัวใจ ไม่มีตัวใจไปยุ่งวุ่นวากับอะไรทุกอย่างก็ว่างเปล่าสิ่งที่มีก็คงมีกันไปเนี่ยแต่ถ้าไม่มีตัวใจไปยุ่งกับอะไรใจเป็นธรรมชาติเดิมแท้เป็นความว่างมีแต่ความรู้มัใญารู้คือไปดูอะไรนะมันเป็นความรู้อยู่ว่าตัวมันเป็นไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมีอยู่ไม่ใช่ใจสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกนี้ตั้งภายนอกและภายในร่างกายแล้วและภายในจิตใจของรู้สึกสามีภรรยามีหมดแต่ไม่ใช่ใจใจเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรอยู่ในใจได้ไม่มีตัวตน ไ, ไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันณส้นฐานใดๆแต่ปล่อยทุกอย่างคงมีอยู่อย่างเขที่เขามีอ่ะแม้แต่ภายในใจเราจะมีคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศลสบายใจไม่สบายใจปล่อยก็ เ, เป็นอย่างที่ก็เป็นปล่อยให้ก็เป็นอย่างที่ก็เป็นใจก็ว่างเปล่าอย่างเดียวแต่ถ้าเราเนี่ยเวลาเขาเป็นอะไรแล้วแม้แต่อาการภายในใจอย่าว่าสามีกับลูกเลยแม้แต่อาการภายในใจเราจะไปดิ้นรนผักไสให้ตรงกันข้ามกลายเป็นยุ่งวุ่นวายตัวเนี้ยกลายเป็นยึดติด ใจก็จะไม่ว่างเปล่าแล้วแบบเดียวกันถ้าเราผักไสอาการภายในใจจิตเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นเน้นอยากเป็นอย่างนี้มันเป็นกิเลสอันนี้เป็นกิเลสการเป็นยึดแบบเดียวกันลูกไม่อยู่สามีไม่อยู่พยายามจะจะตัดที่ใ จ, Power, จแบบ graduated graduated ให้ขาดพยายามจะตัดพยายามจะตัดการเป็นมียึดการเป็นยึดเลยตรงนี้ยึดเป็นความอยากอยากเป็นกิเลสตัณหาอีกเช่นหนึ่งอยากให้ขาดออกจากกันออยากให้อยู่ด้วยกันก็เป็นกิเลสอีกอย่างหนึ่ง อยากให้ขาดเอาจจกันจะได้พยายามที่ลนใส่มันได้ขาดทันทีก็พยายามที่ดิ้นดิ้นดิ้ักผักผักผักออันนี้มันก็อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอยากจะหนีออกอยากจะดูดเข้าไปถูกดูดเข้าไปติดกันหนับเลยก็ติดพยายามจะดึงตัวเองออกก็ติดเนี่ยพยายามจะดึงตัวเองออกจากอะไรก็ติดเป็นความอยากเป็นกิเลสตัณหาอยากที่จะดึงตัวเองออกจากอะไร อยากที่จะดึงใจตัวเองออกจากอะไรดึงกายไม่ได้ก็อยากที่จะดึงใจตัวเองออกจากอะไรอันนี้ก็กลายเป็นกิเลสตัณหาเอัแต่ถ้ามันดูดติดเข้าไปก็เป็นกิเลสตัณหาอีกเหมือนกันเนี่ยทั้งไม่ดูดทั้งไม่ผักก็จะเป็นอะไรใจก็ว่างเปล่าคงปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างที่มันเป็นยอมรับตามความเป็นจริงมันมันเป็นแล้วไปกลอบกลัวกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วแต่ใจเท่านั้นเนี่ยเมื่อปล่อยทุกอย่างเป็นภายในใจอะเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นภายนอกมันก็จะปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นเราไม่ต้องไปผักใส่ข้างนอก เพียงเน่ราปล่อยใจข้างในเนี่ยปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันมีความคิดมีอารมณ์มีอาการอะไรก็ตามทุกคิดที่มันก็เพิ่มขึ้นไหวตัวขึ้นมีกิยาการใดๆก็ตามเน่ยที่มันปรากฏขึ้นทุกขณะปัจจุบันปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ภาษาของพระเขาใช้คําว่าประตูก้าวข้ามโลกไปสู่นิพพานคือยถาภูตตะยานทัสนะยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นในขณะปัจจุบันทุกขณะ แต่ตรงตาใช้คําว่าปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นคือปล่อยมันจริงอ่ะเป็นจริงอย่างที่มันเป็นแล้วใจก็ว่างเปล่าแต่เมื่อไหร่ถูกดูดเมื่อไหร่ที่จะผักเมื่อไหร่ที่เราอยากพยายามจะผักออกจะหนีตัวเราออกจากอะไรเอาใจเราออกจากอะไรหรือใจเราถูกดูดไปอันเนี้ยเป็นกิเลสตัณหาหมดเข้าใจไหยเออรู้สึกว่าพอมันหลายคนมันผัวพันมากแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเองเข้าไปพัวพันแต่เขาเยอะเกินไปใช่ไหมคะที่หลวงตามบอกก็คือพยายามจะถอยตัวเองดึงดึงใจตัวเองออกมาแบบมองออกว่ามันยังมีเยื่อใหยอยู่ใช่ค่มคะก็เลยพยายามจะดึงดึงตัวเองออกมาจากความพัวพันนั้นนะคะเป็นมีการผักใส่เจ้าตอนนี้จะกลับไปปฏิบัติไงเออไหนบอกสิก็กลับไปก็ปล่อยเนี่ยค่ะทุกอย่างทำได้ไม่เหมือนเดิมอะคะ่ะอืมเราปล่อยข้างในใจเราได้เราจะปล่อยข้างนอกได้ไม่ใช่ว่าเราจะพยายามไปปล่อยข้างนอกนะ เราไม่ยุ่งกับความคิดอารมณ์ความรู้สึกอาการภายในใจเลยแม้แต่ขนาดจิตเดียวไม่ยุ่งวุ่นวายกับสิ่งใดปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่มันเป็นใจก็จะว่างเปล่าตลอดเวลาแล้วก็จะว่างเปล่าแต่ภายนอกด้วยไม่ใช่ไปยึดความว่างไว้นะคือใจเนี่ยไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับอาการทุกความคิดทุกอารมณ์ทุกกายการภายในใจทุกขณาปัจจุบันเนี่ยธรรมชาติของใจเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าเองเจ้วค่ะเออ น, นั้นพอใจเนี่ยไม่ยุ่งกับอาการของใจไม่ยุ่งกับความคิดอารมณ์ความรู้สึกใดๆทั้งหมดอะ มันไม่บอกมัจะปรุงเป็นตัวเราปรุงเป็นนู้นปรุงเป็นนี่เป็นเราเป็นตัวเราปรุงเป็นราค้าโทรสาโมหะปรุงเป็นอะไรก็ตามแวบวบแวขึ้นมาเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่หลงไปอ่ะมันเป็นยังไงกระช่างมันเราก็ไม่หลงไปมีความรู้ตัวอยู่มันแวบปรุงมันเป็นผ้ามันปรุงเป็นแวบมันเป็นอกุศลเนี่ยแต่แต่ปรุงเป็นอกุศลแวบแวบแวบบอะไรก็แบบเป็นอกุศลแล้วปรุงว่เป็นตัวเราตัวเราแต่ไม่มีตัวเราก็้ผสมโลกจริงๆอ่ะไม่มีตัวเราเนียแล้วไม่มีกิเลสตัณหาด้วยตอนปรุงเป็นอกุศลเด็กไม่มีกิเลสตัณหาถ้า มีความรู้สึกตัวอยู่เราเรามีความรู้สึกตัวอยู่มนปุงเนี้ยปรุงต่อหน้าต่อตาเรามีความรู้สึกตัวอยู่นะไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีบาปกรรมไม่มีโทษเวรภัยอะไรหลายคนเข้าใจว่าโอ้ยมันจะต้องไม่มีปุงนู่นปุงนี่ปรุงนั่นเลยเลยมันดับสนิทนิ่งให้ว่างไปเลยไม่ใช่หรอกมัดปรุงอะดับไม่ได้นะมันดับเขาไม่ได้เพราะว่าจิตมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับของเราจิตมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ไม่ไม่มันไม่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่าง มันไม่อยู่ในบังคับของเรามันจึดเป็นอนัตตา um. เราบังคับม enfin like in ันไม่ได้เราทําได้อย่างเดียวคือเรามีความรู้สึกตัวอยู่คือมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยแต่ก็เราไม่ทาอะไรไม่ได้ดับก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นโทษบาปกรรมอะไรแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่ติไม่มีอะไรติดอยู่ในใจใจก็คงเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าอยู่นั้นเนี่ยความคิดมก็แวบแวบแวบแวบแวบแต่อะไรไม่ได้มันก็ไปตามนิสัยของแต่ละคนอย่างเงี้ยหลายคนก็ใจผิดไปกดจนนิ่งสมัยก่อนนะลุงตาอยู่กับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านเนี่ยที่อธิธาท่านเป็นพระธาตุเน่ยสมัยก่อนก็ไปแอ บ, บดูความทุกทนของเราอะจะไปแอ บ, บดูว่าจิตอหาหันเป็นยังไงก็ไปกะเอนึกใปจ่ายขอเข้มาท่านแล้วก็แอ บ, บดูท่านเลแต่วิธีจะแอ บ, บดูท่านก็ไปแก้ยนวดตัวท่านเปงง็นไงแก้ยนวดตัวท่านก็นวดทั้งตัวท่านก็นอนให้นวดอก็นวดทีนึนเป็นปชั่วโมงๆก็คิดโน่นคิดนี่คิดนี่แต่รู้ว่าท่านเนี่ยความคิดของุตาเนี่ยเหมือนกับผู้ได้ท่านฟัง เพว่าเคยโดนมาหลายครั้งไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนเหมือนพูดให้ท่านฟังเลยเคยอยู่บนยอดเขาเคยอยู่ที่กรุงเทพแล้วมาหาท่านเนี่ยโอ้ท่านรู้หมดเลยท่านดักหมดเลยอะดักดักหมดเลยท่านดักจนโอ้โหโอะทําไมท่านรู้หมดเลยรู้ทุกคิดเลยเนี่ยรู้ทุกคิดระยะไกลด้วยระยะทางไกลเดินนี่เหมือนพูดให้ท่านฟังแล้วย่งมานวดติดตัวท่านอย่างเงี้ยท่านก็รู้ทุกคิดก็มีสติคอยรู้ตัวตลอดเวลาไว้มันก็คิดนั่นคิดนี่คิดนูคิดนี่แต่เราก็รู้ตัวเราอย่าคิดนี่อย่าคิดอย่าคิด ผลรู้ทุกคิดนะมึงอะไรเงี้ยเราคอดุเลื่อยหรือดุตัวเราเองในใจมันก็โน่นตัวแต่อดไม่ได้พองเราจิตมันก็ต้องคิดตัวเนี่มีแล้วไม่คิดอ่ะยิ่งโนวนมันก็ยิ่งคิดไปเรื่อยต่อไปเดี๋ยวยิ่งห้ามไม่ให้คิดมันยิ่งคิดใหญ่เลยมึงจะคิดจะคิดมันยิ่งคิดใหญ่เลยคิดจะคิดมันยิ่งคิดใหญ่ไม่เชื่อลองดูเลยยิ่งรู้ว่ากูบาอาจารย์รู้ทุกคิดนะยิ่งห้ามนะโอ้โหยิ่งคิดกระเด็ดเลยพอาไม่ห้ามไม่เท่าไหร่แต่พอยิ่งห้ามโอ้โหมันคิดจี้จี้ พอที่นวดนวไปโดนนิ่มๆโดนแมนมทันนี่มเหือนเด็กๆเลยอะไรนคนแก่อยุเก้าสิบแปดแล้วอนียเงว่าตงหดไปนรามนมคนแก่นี่เหมือนนิ่มๆเหมือนเด็กเลยอะไรเงี้ยเราคิดอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยท่านรู้ทุกคิดนะมึงนี่อะไรเงี้ยล้วก็ดุมันนะพอพอเลิกนวดเสร็จเราก็ข อ, อกระหมาท่านกราบข อ, อกระหมาเมื่อกี้ทิพยสัปะรอะไรเงี้ยเรก็บอกท่านแล้วก็ข อ, ข อ, อกระหมาท่านท่านขวาใส่เราเลยบอกว่า ไอ้ที่คิดอยู่แต่ตั้งนานนั่นแ่ะมารู้ตัวอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วมัจะเป็นโทษบาปกรรมอะไรเน่ยแต่อาที่กําลังขอก็มาเนี่ยกำลังเป็นโทษบาปเวีกรรมไม่มีสติเลยตอนเนี้ยแต่อีตอนคิดต้องมีสติอยู่อีตอนกราบขอก็ว่าไม่มีสติที่สติหมดละครูบาอาจารย์เนี่ยท่านดูที่สติตัวเดียวถ้าไม่ดูว่าจิตเราคิดอะไรดูที่สติตัวเดียวนะพระพุทธเจ้าว่าหลานั่งหลายเนี่ยดูที่สติตัวเดียว ถามว่ามีสมาธิหลวงปู่จุนวาดตโลเนี่ยถามหลวง <_: S 1> ปู่มา <_: S 1> ่านฤาโตว่าจะดูยังไงว่าเรามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิหลวงปู่ม่านบอกว่าให้ดูที่สติถ้าสติมีสมาธิก็มีปัญญาก็มีสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพันธิพานสติอันเดียวเนี่ยขนาดว่าจะดูว่ามีสมาธิหรือไม่ให้ดูที่สติจะมีโทษบาปเวรกรรมไ้มเนี่ยขนาดคิดกับพระอหรหันต์แบบนี้นะไม่มีโทษบาปเวรกรรมอะไรเลยเพราะมีสติอยู่ แต่พอขาดสติปุ๊บทิ้งสติโดนเลยอันนี้กำลังมีบาปโทษบาปเวรกรรมเพราะว่าทิ้งสติแล้วเดี๋ยวคิดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเดีย๋ยฮะอันนี้กําลังมีโทษบาปเวรกรรมแั้วทิ้งสติไม่ได้เลยพอสติเป็นมหาสติปุ๊บโอ้โหเป็นมหานิพพานเลยเนีเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานเลยเพราะสติอันเดียวทิ้งไม่ได้นะสติก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เราจะจะหนีเอาใจเราภาคออกจากอะไรไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าให้ใจเราถูกดูดเข้าไป เรามีสติอยู่มันจะคิดอะไรไม่เป็นโทษบาปกรรมไว้เรามีสติรู้ตัวอยู่แต่ละอย่าเราอย่าทิ้งสติไปคิดถ้าเราทิ้งสติไปคิดอันนั้นเนี่ยเข้าสู่วงจรปฏิจจสมุขบาปการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมีโทษบาปกรรมได้ไปคิดกับพุทธเจ้าไปคิดตําหนิติเตียนพุทธศาสนาไปคิดตําหนิติเตียนพระรยาสงฆ์เขาเป็นโทษบาปกรรมได้เลยนี่เรารู้ว่าท่านเป็นพระหลานนะท่านเนี่ยมรภาพ้กระดูกใส่เป็นแก้วเนี่ยท่านยังบอกไม่มีโทษบาปกรรมอะไรนั่นเนี่ยท่านดูที่สติไม่ใช่ดูที่เราคิดอะไร อถ้าเราคิดโดยไม่มีสติอันนั้นอะมีทั้งบาปกรรมทันทีเข้าใจไหมพอมีรอบๆข้างเยอะอะค่ะมันมีเรื่องทัวพันเยอะหนูก็มีความชักมันเหมือนช่วงเนี้ยที่คิดอยู่ตลอดคือไอคนนี้กระทบคนนี้คนนี้กระ ท, ทบคนนี้พอเราอยู่ตรงนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เอ๊ะเราจะเข้าไปแค่ไหนที่มันพอดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะเหมือนจะหลุดเขไปหลงหลุดหลุดจากตัวเองเข้าไปหลงในนั้นก็บอกอย่างเงี้ย<ด> ไม่มีไปไปยั้งตัวเองไว้แค่ไหนพอดีไปหาความดีให้แก่ตัวเองนะอย่างเงี้ยไปล็อกตัวเองไว้เลยอย่างเงี้ยยึดถือแลไม่มีไม่มีเข้าไปแค่ไหนพอดีไม่มีตัวเราอย่างเดียวตัวตนของเราไม่มีมีแต่ใจเราเป็นเป็นใจหรือจิตเดิมแท้ที่เป็นมีแต่ความว่างว่างจากตัวตนมีแต่ความรู้อย่างเดียวมีแต่ความรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าเราเนี่ยคิดกุศลอกุศลยังดุมันได้เลยว่าเฮ้ย้ยอย่าไปคิดเองนี่อรหันนะอะไรเงี้ย มีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่ตัวตนไม่มีหรอกแต่มาถึงว่าอันนี้อันนี้ที่ส่วนตัวในตัวหนูเออรู้ว่าวางใจแบบนี้จะมาถึงว่ากับคนรอบข้างหนูจะแต่จัดการยังไงเจ้าขา่างนีไมีปากแล้พูดไปจ้มีปากแล้วก็พูดไปแตใจเราอย่าไปไปยุ่งมันวายเขาปากมีปากก็พูดไปเออมีปากแล้วก็ว่าคนนู้นว่าคนเนี้ยวก็ว่าได้ว่าดิว่าได้แต่ใจเท่านั้นเนี่ยเอออย่าขาดสติ ว่าแบบมีสติก็ว่าได้คิดแบบมีสติก็คิดได้ว่าแบบมีสติก็ว่าได้อย่าอย่าทิ้งสตินี่อย่าทิ้งสติไม่ใช่ว่าอาจารย์สอนนี้เราไม่ต้องว่าใครเฉยอย่างคิดไม่ได้นะผิดผิดเราว่าไปแต่เราต้องมีสติว่าในความมีสติที่ท่านบอกว่าคิดมีสติพูดมีสติกระทำอะไรให้มีสติเจ้าค่ะพาใจเนาะอออย่าทิ้งสติอย่าทิ้งสติตอนที่ล้มเนี่ยหนูหนูหนูว่าไม่อันนี้จะกลับทำหบึ่งตาว่าถูกไหมคือผู้รู้เนี่ยค่ะ อยูไม่ได้รู้สึกว่ามีผู้รู้หนูเห็นมันมีที่มันจะอยู่ในเหมือนฟ้าของขันห้าค่ะฝ้าของว่าเห็นกายเนี่ยมันเลื่อนล้มไปแล้วก็เห็นจิตเนี่ยมันคิดว่าจะล้มท่าไหนจะได้ไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันคือมันอยู่ของมันเองโดยที่เราไม่ได้มีอารมณ์กับมันเลยนะคะหนูก็เลยว่าปกติแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในฟ้าของขันห้าใช่ไหมเจ้าคะไม่มีฟ้าเหระไม่มีฟ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยธมธรรมชาติธรรมชาติแหงความพ้ทุกข์เรามีแค่นั้นเนี่ มีทุกอย่างเนี่ยมันมีแต่ <esf> เราไม่ได้มีเออจิตมันก็คิดเกิดมาเองโดยไม่มีเจตนาคิดความรู้มันก็รู้ขึ้นมาเองโดยไม่มีเจตนารู้สุดท้ายเนี่ยมันมีแต่ความรู้ที่รู้ขึ้นมาเองโดยไม่มีเจตนารู้ความคิดก็คิดเกิดมาเองโดยไม่มีเจตนาคิดแต่พอเราจะทํางานอะไรเราก็มาตั้งใจคิดแต่เราต้องเข้าไปถึงในตอนนัซะก่อนเข้าไปถึงว่าไปถึงความคิดเวลาจิตเนี่ยมันคิดอะไรขึ้นมามันคิดขึ้นมาเอง แล้วก็เวลารู้ม right. right. right. ันก็รู้ขึ้นมาเองโดยไม่มีเจตนารู้มันจึงจะไม่ไม่ปรากฏรู้ไม่ปรากฏรู้เออมีแต่จิตที่คิดหรือมีแต่อาการของจิตที่มันพูดว่ายังไงไม่เราจะล้มแล้วทำไมเราจะล้มเฮเลือดแล้วมันทําไมสโลโมชั่นมันไม่เป็นอะไรวะเหมือนกับไม่มันมีอะไรมามามามาประคองเราไว้แล้วก็คิดคิดได้เจ้าค่ะแต่มันไม่มีตัวผู้รู้มันไม่มีตัวตนของผู้รู้เหมือนกับผู้รู้มันหายตัวไปเออมันเหมือนกับผู้รู้หายตัวไปอันนั้นแน่ที่ว่าพระหลานทั้งหลายอยู่กับผู้รู้อันเนี้ย คือไม่มีตัวตนของผู้รู้หรอกคือเหมือนกับผู้รู้เนี่ยมันหายตัวไปแต่มันมีแต่อาการของจิต ถ, ถูกแล้วใช่ไหมครับแบบนั้นถูกต้องแล้วมีแต่อาการของจิตพอเราเคยเห็นแล้วต่อไปง่ายเจต่อไปเราก็จะเจอมันบ่อยถ้าเราเคยเห็นแต่ครั้งหนึ่งแบบนั้นแ่ะแล้วต่อไปเนี่ยเวลาเราก้มจะซักผ้าก้มที่จะทําอะไรหยิบยิบจับอะไรบางทีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นขึ้นมาอีกเพราะเราเคยเจอมันแล้วคือจิตที่มันมันคิดขึ้นมาเองปรุงแต่งขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ทันตั้งใจจะคิด แล้วก็ความรู้มันก็รู้กันเองเดนไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏผู้รู้เลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันไม่ปรากฏผู้รู้จะหนูมาย้อนกลับไปเอ๊ะเอาแล้วก็มันมีความรู้อยู่หนิว่ารู้ตรงนี้แต่มันไม่ปรากฏว่าผู้รู้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเลยพระหานั้งหล่าท่านอยู่กับรู้นี่อยู่กับรู้อยู่กับรู้ที่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่มีความรู้เลยไม่มีตัวตนของรู้ไม่มีรูปร่างไม่มีความรู้สึกเอาว่างเจ้าค่ะมันไม่มีความรู้สึกย้อนกลับมาว่ามีผู้รู้เจ้าค่ะมันที่ไม่มีความรู้สึกว่าผู้รู้เป็นยังไงผู้รู้เป็นนคววาาาามมมมม่่่่งรรรออะไไัีีแแตตกกถูู้ รูปรถกินเสียงสัปดาสิถูกรู้แต่มันไม่ไม่ย้อนมาว่าตัวผู้รู้เป็นยังไงตัวผู้รู้ว่างตัวผู้รู้ไม่มีตัวตนมันไม่ไม่ย้อนกลับมาหาหาผู้รู้มีแต่รูปที่ถูกรู้เสียงที่ถูกรู้กินที่ถูกรู้กิริยาการที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้แต่ผู้รู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีแต่แต่รู้อยู่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนี่นี่ยที่พุทธเจ้าตัดกับพยะว่าพยะที่กิดท่านใช้คําว่าสักแต่ว่ารู้ถ้าเธอสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารู้สักตว่ารูแจ้งเนี่ย เธอจะบรรลุวินิจพานจะไม่มีตัวตนของเธอคือจะไม่มีตัวตนของเธอในปัจจุบันนี้เลยไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าเธอจะสิ้นกิเลสสิ้นทุกบรรลุวินิจพานเพราะฉะนั้นมันก็ไม่รู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ตรงไหนเลยเพราะความไม่มีตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าสิ้นอวิชชาพอสิ้นอวิชชาก็จะสิ้นกิเลสตัณหาสิ้นอุปาทานสิ้นความหลงยึดมั่นมีตัวตนไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันจะสิ้นพบสิ้นชาสิ้นทุกไปนั่นแหละพยามฟังจบถึงบรรลุวินิจพานอันนั้นคือเราไม่ตั้งใจ มันมันพ้นจากความตั้งใจพ้นจากเจตนาถ้าเราเนี่ยยังไปเข้าไปตั้งใจดูจิตยังไม่พ้นยังไม่พ้นจากความปรุงแต่งอืมเพราะนั้นมันเพราะว่าด้วยความที่มันมันโดยอัตโนมัติมันมาเองสติมาเองแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปดูทุกอย่างมันเคลื่อนของมันไปเองอันนั้นเรียกว่าสติอัตโนมัติแล้วก็เป็นจิตอัตโนมัติจิตที่ปรุงแต่อัตโนมัติแล้วก็สติก็สติอัตโนมัติใช่ค่ะเหมือนขันห้ามันก็ทํางานของมันเองโดยอัตโนมัติที่เรา แต่ตัวที่สติเนี่ยที่เขาบอกว่าตั้งใจไปดูจิตว่าคนเขาเรียกสติปลอมไอ้สติที่ตั้งใจไปดูจิตดูความคิดเนี่ยเขาเรียกสติปลอมแต่คนจริงไม่ใช่สติหรอกคือความหลงแต่เราก็ต้องฝึกไปเพราะว่าอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาช่วยเรามันก็ขึ้นม า, า, เ, าอเออก็ฝึกจากนี้มาก่อนฝึกสติปลอมก่อนแล้วมาเจอของ จ, ง <laughs> จริงจ้าป่ะคือมีสติก่อยสังเกตจิตไว้คือไม่งั้นเราจะหลงไปกับรูปห <laughs> มด เ, เ, เลยเ <laughs> วลาเราเห็นรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสนะเวลาเราไปรู้รูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสรู้อาการของใจนะรู้ทำอารมณ์เนี่ย เราก็จะไปกับสิ่งที่ถูกรู้หมดเราจะไม่ไม่ไม่รู้ที่ผู้รู้ไม่คือเราจะไม่สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจเราต้องอาศัยสติปอมไี้ก่อนสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจดูที่ผู้รู้เนี่ยรู้ที่ผู้รู้เนี่ยผู้รู้มันไปรู้รู้รูปรู้ลดรูกกินรู้เสียงรู้สัมผัสรูกทำอารมณ์พอมไปรู้แล้วมันมันปรุงคิดคิดปรุงว่ายังไงเอามา ไอ้วิญญาณขันธ์นะจิตวิญญาณขันธ์นะพูรู้เสร็จมันก็มันทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสั้งขันแล้วมารู้สึกถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆจําได้ไหมรู้อะไรมาคิดปรุงปรงคิดมันก็จะมาพากพาก พ, พูดอยู่ในใจเรานี่นแหละเราเราก็รู้มันไปนเรื่อยเร่อู้ไอ้ตัวเนี้รู้รู้ไอ้จิตที่มันพากพากพา ก, พา ก, พากพาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นอนไอ้พูรู้ที่เป็นวิญญาณขันธ์ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นของไม่ของปรุงแต่งทั้งหมดนะไม่ใช่ยังไม่ใช่ไอ้ essen. พูรู้ที่ที่ขัดเจตนาเออที่มันมีการตั้งใจแต่่เรรราจจูููู้้้้ทีีมมันไตงใ เราก็จะเจอมันบ่อยแล้วพอเราทําอะไรอยู่ดีอยู่มันก็เนื้อที่เราเนี่ยตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเรายังไม่ทันลืมตาเลยเราจะไม่ทันลืมตาแต่อยู่ๆเนี่ยเราไม่ทันตั้งใจจะไปคิดเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยจิตมันคิดขึ้นมาเองเลยมันที่กิเมยโดยที่เรายังไม่ทันยังไม่ทันจะลืมตาว่าตั้งใจวันนี้จะไปคิดเรื่องงานนะอยู่ๆจิตมันคิดอะไรขึ้นมาตามตามเคยเคยชินของมันพออยู่มันคิดขึ้นมาไอ้ความรู้มันก็รู้ขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยเพราะว่า ความรู้ก็เป็นทันตั้งใจรู้嘛เพราะว่าจิตมันเป็ทันตั้งใจคิดความรู้มันก็เลยไป็ทันตั้งใจรู้ถ้าเราเห็นอะไรเนี้ยอ้าวอืมอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจรู้นี่อันี้ก็ไม่ได้ตั้งใจคิดเราเลยรู้ว่าไอ้รู้ที่ไม่มีตั้งใจรู้ไม่มีเจตนาจะรู้เป็นอย่างนี้เองเนี่ยแล้วเราก็เรียกว่าพบแล้วอันเนี้ยเรียกว่าพบใจใจก็คือผู้รู้ที่ไม่มีตั้งใจไม่มีเจตนาที่จะรู้หรือไม่มีตั้งใจที่จะรู้อันนี้คือพบใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมเรียกว่าพบธรรมแหละผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงงงงมมนิพคคืือออััยยไไ่่ะเป็จรๆบบแว พบแวบพบแวบแต่ถ้าเคยพบสักทีแล้วต่อไปก็อืมเคยเจอแล้วคนเคยเจอไม่ยากไม่ยากเคยเจอแบบนี้แล้วต่อไปเนี่ยเวลาเราจะไม่ทันตื่นนอนอยู่อยู่มันก็มันก็จิบก็คิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดความรู้มันก็รู้ขึ้นมาบางทีเราก้มลงจะไปไปสักผ้าก้มลงจะไปหยิบของก้มลงจะไปไปหยิบแปลงที่ฟันเอาแปลงอยู่อยู่อืมไม่ทันตั้งใจมันจะไปคิดอะไรเพราะว่ามันดูจิตจนชำนาญ น, นะมิแต่ดูจิตดูวคดดดวามคิดดูจิตดูความคิดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมาทั้งชีวิตอ่ะ ยกเว้นแต่หลับไปแล้วอยู่ๆตอนนั้นมันจะคือมันขนาดจิตหนึ่งที่เราไม่ได้เป็นตั้งใจจะดูจิตแล้วเราจะไปหยิบอะไรไปทํำอะไรอ้าวอยู่ๆเว้ยไอความตั้งใจหายไปเหลือแต่ความคิดมันคิดขึ้นมาก่อนอ้าวไอความรู้มันก็เลยรู้ความคิดนั้นอ้าวไ อ, อความรู้นี่ไม่ได้ตั้งใจในหมดเนี่ยไ อ, อความรู้ที่ไม่ตั้งใจเนี่ยมันไม่มันนึกถึงผู้รู้เลยไม่ได้ย้อนมานึกถึงผู้รู้ว่าผู้รู้นี่ว่างป่าผู้รู้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของผู้รู้มันว่างไปหมดเลยมันไม่นึกย้อนถึงผู้รู้หรอกผมบอกแล้วเป็นปรากฏผู้รู้เลยมันปรากแต่ รูปรถกินเสียงสิ่งที่มาสัมผัสแลแ้วก็ไอความรู้สึกแล้คิดอารมณ์แค่นั้นน่ะปรากฏแต่จิตที่มันแสดงอาการขึ้นมามันก็มองเห็นนีไอที่เราแปลงฟันอยู่เราส่องกระจกอยู่ก็มองเห็นแล้วในกระจกแต่ความคิดมันคิดขึ้นมาเองเฉยเงีไยตาก็มองเห็นเนี้่ถ้ามีหูด้ินอะไรก็ได้ยินอยู่เหมนกัน่ะเนี่ยที่ท่านใช้คำว่าสักแต่ว่าเราเห็นสักแต่วันเห็นได้ยินสักแต่วันยินที่ทตาเมืเขียนเพิ่มกันอีกก็มีที่บอกว่าเห็นสักแต่วันเห็นได้ยินสักแตะวันยินได้กินสักด้วยได้กินรูปรถสักตะ รู้แจ้งทางใจอาการทางใจรู้ธรรมอารมณ์ก็สัจธรรมรูมม้ธรรมอารมณ์เนี่ยนี่แหละเธอจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้แล้วโลกหน้าเธอจะสิ้นกิเลสแล้วสิ้นทุกข์บรรภณิพานไอ้ตัวเนี้ยมีหลายคนที่เอาไปอ่านแล้วก็ทําตามเรียนแบบเป็นของปลอมคือเอาตัวเราที่เป็นขันห้าเนี่ยไปทําให้มันเนี่ยสักแต่ว่าแล้วก็เลยรู้เ อ, อ๋อรู้เ อ, อ๋อรู้เฉยรูอะไรแล้วทําเฉยรู้อะไรแล้วทําเฉยเนี่ ย, ยสัจตว่า มันคนละเรื่องกันกับที่ที argent, right. und you know. <tit le> ่เราพูดเห็นไหมที่เราบอกว่าสติไม่ได้ตั้งใจที่จะมีสติไม่ได้ตั้งใจที่จะรู้ไม่ได้เจตนาที่จะรู้อันนี้มันเป็นความรู้ที่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ได้ไปกล่ามรู้สึกว่าว่างเว่องอะไรไปทําให้มันว่างไปทําให้มันเฉยแต่เนี่ยเวลาเข้าไปอ่านตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติผิดปฏิบัติผิดกันเยอะมากเลยคือไปรู้แล้วทาอะไรให้มันเฉยเฉยไปรู้แล้วเฉยไม่ปรุงกับสิ่งนั้นเฉยกลายเป็นคนเออไปหมดเลยมันปฏิบัติธรรมเยอะหมดเลยมันไม่เหมือนการไอ้นั้นปรุงแต่ง แต่จริงมันจะหนูจะมาคิดก็คือตอนที่มันผ่านเดชการณ์ไปแล้วแล้วเร า, เรามาย้อนดูว่าเออไอเนี้ยมันก็มันเห็นอยู่ทุกอย่างหมดนะแล้วก็ไม่ปรากฏตัวผู้รู้แล้วก็ไม่มีปรากฏตัวเราด้วยไม่มีอะไรมีแต่ความรู้เฉยๆอะค่ะใช่มันก็มันคือมารู้ที่หลังเน่ยถูกต้องคือมันเกิดไปแล้วแต่ถ้าเราไปรู้ตอนนั้นมันก็ไม่เกิดแล้วสิเจ้าค่ะคือตอนนั้นก็เราก็รู้ตัวหมดแล้วสิมันคือเราก็ตั้งใจหมดอะมันต้องเกิดไปก่อนแล้วมันมาเอที่หลังเอ้ไออาที่หลังเอยไอย มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยอม อ, อย่างเงี้ยเราเลยึงว่าโอ้สติที่ไม่ได้ตั้งสติที่ไม่มีเจตนาจะจะมีสติไปดูไปรู้เห็นอะไรมันมันเป็นสุดยอดสติจริงๆอือคือมันเป็นสติแท้ไอ้ไอ้สติอื่นเขาบอกเป็นสติปลอมที่เขเรียกสติปลอมแต่ความจริกั น, นั่ น, นคือหลงปุงแต่แต่ไม่ใช่ว่าโอ้เจองั้นเราอยากจะเจอแล้วเราไปไปแท่งทําท่าทางทําให้มันทํา ใ, ให้มันแบบนั้นก็ไม่ได้หรอกมันคือยอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นเอง จากที่เรามีสติไปเงี้ยสติที่เรามีสติตั้งปีใจดูที่ใจละที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจคือไม่ไปเวลาพอรู้สัมผัสอะไรทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเราเนี่ยไม่ไม่หลงไปกับสิ่งที่ถูกรู้ไม่หลงไปกับอารมณ์ที่ถูกรู้มันรู้ในใจว่าในใจมันติดตองไปยังไงในใจมันคิดติดตองไปยังไงคิดติดตองไปยังไงคิดติดตองไปยัมันสักตะวันรู้อยู่ที่ไอ้ใจคิดติดตออยู่ตลอดเวลาไม่ช้าใจมันก็คิดติดตองกันมาเองโดยที่ไม่ตั้งใจคิดติดตองคือ ไอ้ที่เราไปฝึกขนาดที่กระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภายนอกเนี่ยมันฝึกยากมันจะได้แต่ขั้นฝึกอันนี้เฉยฝึกคือเพื่อไม่ให้เราหลงไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้เราสติตั้งที่ใจดูที่ใจแต่เวลามันลมเป็นเนี่ยมันไม่ได้เกิดกระทบทางตาหูจมูกนิ้วกายใจมันอยู่คนเดียวเวลามันเป็นเนี่ยมันอยู่ในสภาพว่าตัวของตัวเองเลยที่เราสังเกตอนะนะมันไม่ได้เกิดที่ไปฝึกเอาต่อหน้าต่อตาได้หรอก พรไอต้ตอนหน้าตอตาเนี่ยเราต้องมาฝึกรู้ที่ใจไว้เพื่อไม่ให้ไปอยู่กับเขามาฝึกรู้ที่ใจไว้เพื่อไม่ให้ไปอยู่กับเสียงท <t> ี่เขาเนี่ย <als> เมื่อกี้เราเราเราเราพูดธรรมากันเสียงดั ง, ดงตึง้งตึ้ ง, งตั้งตึงต่ะเพื่อไม่ให้เราไปอยู่กับเสียงเพื่อมารู้ที่ใจเรา <t> เราก็เลยไม่ไปอยู่กับเส <t> ียงแล้วก็ไม่อยู่กับรูปแล้วก็ไม่อยู่กับสิ่งที่มาสัมผัสคือไม่ไปอยู่กับไอ้รูปลดกินเสียงสัมผัสภายนอกเพ <t> ื่อให้เราเนี <t> ่ยมารู้อยู่ที่ใจแต่อันนี้เราต้องใช้ความพยายามมากเพราะมันอยู่ในระหว่างเเเเเเรรรรราาาาากกกะะททททบบบแแแแตตตตต่่่่่พอออยยยยูััััวววคนนนนดีีีมมมมไภหื้้จิ ที่จต้องรู้กันเดี่ยวคือธรรมอารมณ์เหลือแต่ธรรมอารมณ์คืออาการภายในใจคือเวทนาสัญญาตั้งขานเนี่ยธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์คือเวทนาสัญญาตั้งขันหรือหรืออาการที่ปรากฏในใจกับจิตผู้รู้แล้วนี้ผู้รู้อะไรมันก็รู้รู้ธรรมอารมณ์แล้วก็คิดพอเริ่มรู้ปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นธรรมอารมณ์คือรู้ปุ๊บก็ส่งต่อเวทนาสัญญาตั้งขานแล้วก็คิดปุงรู้ละคิดรู้ละคิดรู้ละคิดรู้ละคิดรู้ละคิดปรงเนี่ยการไม่มีใครค่อยๆ ไม่มีใครก็ไปยุ่งไม่มีใครก็ไปเะเวอยไม่มีใครไปยึดเออไอตั้งไอผู้รู้ที่คิดรู้แล้วคิดไปรู้อะไรแล้วก็คิดรู้อะไรแล้วก็มาคิดในใจรู้อะไรแล้วก็มาคิดในใจไม่มีใครยึดทั้งไอผู้รู้ทั้งผู้คิดทั้งผู้รู้ทั้งผู้คิดพอหมดหมดไอไอใจไปไปไปยึดแล้วเนี่ยต่อต่อไปมันก็มันก็ค่อยเกิดขึ้นเองระหว่างไอไจิตติมันคิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจแล้วไอผู้รู้ก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ตั้งใจมันมาจากการฝึกฝนแล้วแต่เนี้ยเข้าใจไหม ที่เขาทำไปเรื่อยๆใช่ใช่เหตุการณ์สำคัญเป็นวันชั่ววันนองเราก็จะทวนทบทวนได้แล้วตอนนี้ว่าง่ายหละมันจะง่ายขึ้นต่อไปเราก็ฝึกฝึกให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจสังเกตใจรู้ที่ใจล่ที่ใจปล่อยวางที่ใจไงร่าที่ผู้รู้เนี่ยอย่าทิ้งผู้รู้อย่าทิ้งผู้รู้ให้รู้ที่ผู้รู้ตลอดเวลาคือตัวเราเนี่ยไปรู้อะไรมันจะมาพากมาคิดมาพูดมาพากในใจอย่าทิ้งผู้รู้นะ